that mm -hmm. กงหรือกดขมกรามเนื้อและประสาสโซนใดส่วนหนึ่งทางใจกำหนดรู้จิตของตัวเองจิตของเราอยู่ความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ที่นั่นรอ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 พระสง์ก็อยู่ในจิตของเราจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีจิติยารู้รู้ จิตนั่นคือพุทโธที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วการทรงใบซึ่งความปกติทั้งกายวาจาและจิตมีความสํารวมรู้สึกตัวอยู่เรามีพระธรรมอยู่ในจิตของเราคือรู้ ได้แก่ผู้ปกโรเมื่อเรามีสติตั้งวรรลังการตั้งใจจะนำกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาความสร้างใจเป็นกิริยาของพระสงฆ์เราก็มีพระสงฆ์อยู่ในจิตของเรา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 เมื่อกายกับจิตของเรายังสัมพันธ์กันอยู่อะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเลิ่นกายและใจจิตตัวผู้รู้เขาจะทำหน้าที่รับรู้ของเขาเองโดยอัตโนมัติในทางปฏิบัติ เราต้องมีสติประคับประคองอยู่ที่จิตของเราเองเสียงพยูดแม้ว่าทุกคนจะไม่ตั้งใจฟังแต่เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่จิตเขาจะรับรู้เองเพราะช่วงนี้เขามีหูเป็นเครื่องมือ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 สมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เรายังไม่บริกรรมภาวนาหรือนึกถึงอะไรทั้งสิ้นให้ตั้งใจกำหนดู้จิตคอยสังเกตรับฟังเสียงที่ผ่านเข้าไปทางหูซึ่งจะเริ่มต้น โดยการพูดถึงศีลที่เราได้สมาทานแล้วศีลคือความปกติกายปกติวาจาปกติใจหรือปกติจิตเวลานี้กายของเราอยู่นิ่งนิ่งกายก็ปกติวาจาเราอยู่นิ่งนิ่งไม่พูด วาจาก็ปกติจิตของเรามีสติกำรรูุกำนดุลุจิตอยู่คือกำนดุลุเฉยอยู่จิตก็เป็นปกติความปกตินี้คือลักษณะของศีลสีละแปลว่าปกติปกติกายปกติวาจาปกติใจ อันนี้เราเป็นผู้มีศีลแล้วปกติกายคือกายไม่ฆ่าไม่ประทุจร้ายปกติวาจาคือฝากไม่พูดคำหยาดไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดุยมไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสี่ปกติ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 เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาจะให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาความเอ็นดูความปรานีต่อกันและกันเพราะประโยคแรกท่านจะสั่งว่าอย่าฆ่ากัน อย่าเบียดเบียนกันอย่าคมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาพยาบาทกันสิ่งดังกล่าวมานี้อยู่ในขอบข่ายแห่งศีลห้าข้อที่เราได้สมทานมาแล้ว ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกซึ่งกันและกันและไม่อิจฉาขยาบาทอาฆาต จ, จองเบนซึงกันและกันสังคมเราจะมีความสงบสุขราบเรื่นหรือไม่รับรองว่าสังคมของเราจะมีความรู้สึกสงบราบเรื่น ออกจากจราบรื่นแล้วยังแจ่มใสเราจะยิ้มแย้มเข้าหากันอย่างฉันนิด <c oughs> เราจะมองดูเพื่อนฝูงของเราฉันมิดฐเบิ่นเบิ่นกับเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวขาดการตามกันออกมา เมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมก็มีความสงบสุขประโยชน์ของการรักษาศีลห้าหนึ่งป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะกานาติบาตเราพยายามฆ่าท่านท่านก็จะต้องพยายามฆ่าเรา อาจเนาทานการหยิดถวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตโดยอาการแห่งคขโมยเมื่อท่านรู้ท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่ถ้าเราเก่งกว่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายฆ่าท่านตาเมสุมมชฐาจารย์ กลมเหงน้ำใจกันไปแอดทำโชวสู่เมียรหรือโูกเต่าของท่านเมื่อท่านโกรธท่านก็พยายามฆ่ า, าหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านโมสาวาาหลอกลวงอำพังให้ท่านเสียผลประโยชน์เที่ยอดเชื่อเสียง ท่านโกปรท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านสุราตัวมัวเมาหรือมึนเมาด้วยฤทธิแห่งของเมาหรือเมาในลากในยศในสันเสริญในความสุขทำให้เกิดความอิจฉาตาร้อน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 บาป ท, ที่เราเคยทำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เช้านี้บาปนี้เรามางดเป็นจากการทำบาปตามกฎของศีลห้าข้อนั้นเราได้ชื่อว่าตั้งใจตัดกรรมตัดเบนตั้งแต่บาปนี้เป็นต้นไปาหากเราสามารถปฏิบัต ต, ต่อไปจงกระทั่งตลอดชีวิตของเราเราก็จะได้ตัดกรรมตัดเวรตลอดชีวิตของเราการตัดกรรมก็คอคอหยุดทำความทั่วความบาปการตัดเวรก็คคอหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกัน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 ความโลภเป็นกิเลสที่ช่วยท้ารามกเป็นอกุศลโมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวงพระพุทธเ จ, จ้าสอนให้เราละละโลภละโกรธละหลงแต่ถ้าเราละไม่ได้พยายามหักข้ามจิต อย่าให้ประพฤติล่วงเกินศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นบาปเช่นการฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกอิจฉาตาร้อนเป็นตนอันนี้เราตั้งใจละเอาได้ละการกระทำการกระทำที่เราทำด้วยกายวาจาและเครื่ด้วยใจ มนเหตุมันเกิดจากความโลภความโกรธและความหลงเพราะฉะนั้นใหลักศาสนาพพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดยึ ด, ยดสีนห้าเป็นหลักปฏิบัติการกระทำสิ่งใดที่ไม่ผิดสีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะทำด้วยความโลภ ก, ก็ทำลงไป แต่ขอให้เป็นการทำดีเราให้ความโลภความโกรธความหลงให้เป็นสิ่งกระตุน้นเตือนจิตของเราให้เกิดมีความขยอดทยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์มีอยู่ห้าอย่าง หนึ่งลาบได้แก่ผลประโยชน์ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองและวิชาวความรู้สองยศได้แก่ยิกีอติยศยศถาบรรดาศักดิ์เรามียศเป็นนายมียศเป็นเด็กชายเราต้องการอยากจะให้ยศของเราสูงขึ้นไป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 เอาความโลภมากระตุ้นให้มันขยันในการฝึกขัดเพือขยันในการถามการคิดการขีดการเขียนสูจิปุลิโูฟัง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 การถามเป็นอุบายวิธีฝึกขัดปากของเราให้มีความกล้าหาญฝึกขัดนิดสัยของเราไม่ให้อายครูโบราณท่านกล่าวว่าอายครูไม่ได้ความรู้อายโชว์ไม่ได้อะไรให้เธอหลับว่าเราต้องกล้า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 ในเมื่อเราประเพื่อได้ดังที่กล่าวมาเราก็มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าเราจะปรารถนาพิธาความรู้รู้ทรัพย์สมบัตินานัปการความมุ่งหมายอยู่ที่ความสุขกายและสุขใจเราเกิดมาทีในทีวิตหนึ่งหนึ่งมาเป็นคนร่วมโลกเขา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 เวลามันเกิดที่ขลาดบังครับให้มันเกิดความคล้าหานในทางที่ชอบมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติอ่อนโยนนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพโมลุษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็ง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 ในเมื่อเราไปทำธุรกิจส่วนตัวเราก็มีอำนาจในหน้าที่ของเราเมื่อรับราชการเราก็มีอำนาจหน้าที่ทามที่ทางราชการมอบหมายให้เรามีอำนาจที่จะทำอะไรโดยไม่มีใครขูเ่เข็นบังคับเราทำด้วยความพอใจ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 การทำอะไรด้วยกายวาจาและใจเมื่อไม่เพียรเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งทำให้มันมากมากทำให้มันมากมากแต่เสียงใดที่ปิดยเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งให้งดทันทีประการสำคัญที่สุดเสียนห้านี้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 เศรษฐีนในการดำรงชีพอยู่โดยเสรีเศรษฐีนในการครอบครองทรัพย์สมบัติโดยเสรีเศรษฐีนในการใช้ผลประโยชน์ในคู่ครองของตนโดยเสรีปกต้องตามกฎหมายปกครองบ้านเมืองและศีลธรรม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 เรามายดเอาเศียรห้าเป็นกติกาแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปความท่วร้ายโ้ใดต้องการจะละบาปความท่วร้ายให้ยดเศียรห้าเป็นหลักปฏิบัติให้เคร่งครัดเราก็ได้ชื่อว่าละซส่งบาปทั้งปวง ตีนี้เมื่อเราละบาบทั้งปวงได้แล้วเราตัดกรรมตัดเสนได้เด็ขาดเราจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่ต้องไปหวาดระแวงภัยว่าจะมีภัยใดๆบางเกิดขึ้นนอนอยู่บ้านก็สบายมานอนในป่าอย่างนี้ก็สบาย โดยอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้ารัธรรมระสงค์และอำนาจคุณความเมตตาราณีของครูบาอาจารย์แผ่คลุมเราเราก็มีความสุขกายสุขใจนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าที่เราจะมองเห็นในปัจจุบันนี้ ส่วนเรื่องรักษาศีลแล้วไปสวรรค์รักษาศีลแล้วถึงนิพพานอันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเรามาาทำความเข้าใจในประโยชน์ของการรักษาศีลห้าในปัจจุบันนี้ให้มากมากาะศีลห้าเป็นอุบายให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาราณีในกันและกัน ศีลห้าเป็นคุ ณ, ณธรรมประกันความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันศีลห้าเป็นอบายสัดกรรมสัดเวนกรรมคือการกระทำเวรคือการผูกได้แก่การคอยจองล่างจองฐานคอยแก้แค้นึ่งกันและกัน ศีนห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมศีนห้าเป็นคุ น, นธรรมที่เป็นยอดแห่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผู้ต้องการจะให้บ้านเมืองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องพิจรารณาศีนห้า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 เพื่อนเชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาธาร้อนฉันจะปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขอมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน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 ถ้ามันมีรอยร้าวหรือรอยบุกเอาไปฟักมันจะไม่เปลี่ยนตัวมีแต่จะเน่าแต่ถ้าเรารักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดโทษตามศีลห้าได้ก็ว่าเป็นผู้มีศีล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 แม้แต่พระพิษุธสงฆ์สามเณรบวชในศาสนานี้ต้องรักษาศียรห้าอาศียห้าและศียรสองร้อยยี่สิบเให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีหากไปละเมิดสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งในจำนวนสองรอยยี่สิบเข้อกายวาจาของท่านผู้นั้นอันเปรียบเหมือนเปลือกห่มไข่ จะมีรอยร้าวทันทีในเมื่อมีรอยร้าวคุณภาพของความเป็นนักปวดเป็นพระกดลดน้อยลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นตถ้าละเมิดสิกขาบทที่ในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหลายหลายข้อ ผลนสสมบัติแห่งความเป็นนักบวชเป็นพระขอลดลงตามลำดับแม้ว่าเราจะปจิญญาตนเป็นสมณะผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติข้อแต่ละเมิดสศีรษะบดินัยในแม้แต่อาบัติทุ ก, ก์กดอาบัิตายกี่ตีเป็นอย่างตา่ำได้เชื่อว่าเป็นผู้ลวงโลก ยกตัวอย่างเช่นพระธุดงไปเดินธุดงกรรมาฐาน <c oughs> ท่านเดินไปองหนึ่งองเดียวไม่มีวยาวัจารกรคือไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นขครือัน์ไม่มีใครถือสตังให้แต่ท่านเอาสตังใส่ย่ามของท่านไปท่านหยิบใส่ย่าม เป็นอาบัตตนิสขีปาจิตตีหนึ่งตัวในเมื่อหยิบออกจากย่ามไปซื้อของเป็นอาบัตนิสขีปาจิตตีอีกหนึ่งตัวของที่ได้มาบริโภคใช้สอยถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีหกคำกลืน หาเป็นตบงจีวอจะเป็นอาบัตนิสกีปาจิตตีพคกระยะที่นุ่งห่มแล้วเคลื้องออกจากกายแล้วนำมานุ่งห่มอีกเป็นว่าเงินบาทเดียวเป็นอาบัตถึงสีสามตัวเปลือไข่ของพระคุณเจ้าร้าว ระเมิดตัวหนึ่งเพียงแค่้าวลาวนิดๆพอระเมิดตัวที่สองดาวจนรอะระเมิดตัวที่สามบุกใจหรือจิตซึ่งเปรียบเหมือนไข่แดงเระระเมิดสิขรับบทวินัยจึงกลายเป็นไข่เน่าไปเดินเท้าดงกรรมฐานก็กรรมฐานไข่เน่า เป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักปฏิบัติไข่เน่าไกรต่อมรคนิพพานหรือคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, เาจึงสอนว่าสัตสมาสิลังวิโสทะยิสาสุชนพึงทําละศีนของตนให้บริสุทธิ์าเสียงดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น จนถึงบัดนี้เป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราได้ยินเสียงมีสติมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา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 แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูพ้คิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าห้องเรียนอันเป็นกิตประจำวันของเราเมื่ออาจารย์มายืนหน้าห้องท่านทำการสอน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 หรือไม่ให้ท่องอะไรก็ให้มีสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเราจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมที่เราเคยศึกษามาแล้วจากท่านอาจารย์จันทร์ซึ่งจะทำธุระต่ อ, อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการทำสมาธิทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง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 ว่าภาวนาอะไรจึงจะดีจึงจะสำเร็จได้ง่ายถ้าของใจตัดสินใจไม่ลงในเมื่อเรานั่งสมาธิให้มีสติกาหนดรู้จิตของตนเอยอยู่อยา่าไปตั้งใจคิดอะไรขึ้นมาแล้วสังเกตตูว่าในขณะที่เราทำจิตให้เอยว่างอยู่นั้น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 ดังนั้นเมื่อภายหลังมาเราอาจจะกาหนดจิตทับลงไปวพ่าเราจะปฏิบัติจิตจะมีความรู้สึกสงบผู้ไปนิดหนึ่งแล้วความคิดมันจะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุ่เสื่งนักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจว่าจิตคงสร้างดังนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนายกนอฟองหนอเป็นตด หากากีเรตของเราหยุดบริกรรมภาวนาไปเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกาหนดรู้เมื่อกาหนดรู้แล้วเิตไม่ยอมหยุดคิดปล่อยให้คิดไปให้ท้าทายเลยว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งดูแกอยู่นี่แหละ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 เอาละสำหรับการบรรยายในภาคตนนี้ในขูดถึงเรื่องศีลที่ได้สมทานมาแล้วความรู้สึกสำนึกผิดชอบสั่วดีเป็นกิริยาแห่งความมีพุทธะอยู่ในจิตการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเห่นนั้นได้คือว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมผ่านที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะกำหนดรูกอารมณ์จิต หรือตั้งใจจจริญ บ, บาปความตัวประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอเป็นกิริยาแห่งพระสงค์ผู้ใดมีจิตใจเจนนั้นแต่จะว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงอยู่ในใจขอาพอุสิตไว้เพียงแค่นี้